สามสิบสี่คันโทตกะวักหมวดว่าด้วยพระคันโทตกะเป็นต้นหนึ่งคันทธุูปิยะเทราประทานประวัติในดิจชาติของพระคันทธทูปิยะเทระ พระคันธทูปิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในเดจจ่าของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ถวายทูพร้อมซึ่งอบด้วยดอกมะลิสมควรแด่พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับทองที่ล้ำค่าทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกรุ่งเรืองดังดอกอุบลเขียวชั่วช่วงเหมือนดวงไฟใหญ่ ผู้ประเสริฐดุดสื่อโครงและโคอุสภะดุดพญากไกรสอนซึ่งมีชาติสูงเลิศ ก, กว่าสมณะทั้งหลายประทับนั่งมีหมู่ภิกษุแวดล้อมครั้นเห็นแล้วจึงทำจิตให้เลื่อมใสประนมมือถวายอภิวาพระบาทของพระศาสดาแล้วบายหน้าหลีไปทางทิศเหนือเนื้ อ, อกลับที่94นับจากกลับนี้ไปพระพเจ้าได้ถวายทู่พร้อมไวในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยทู่พร้อมคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหก<อ>ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระคันธ ท, ทูปิยะเถระได้พาสึกข า, าเหล่านี้ด้วยประกาศนี้ อุทธตภูพยะเทราประธานที่หนึ่งจบ 2. ออุทกะปูชะกะเทราประธานประวัติในดิจาตาของพระอุทกะปูชะกะเทระพระอุทะปูชะกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจาตาของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคำรุ่งเรืองดังดวงไฟโชช่วงดังดวงไฟใหญ่เสด็จเหาะไปในอากาศ ข้าพเจ้าจึงใช้ฝ่ามือกรอบน้ำแล้วซักขึ้นไปบนอากาศพระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรมากทรงประพบด้วยพระกรุณาเป็นพระฤาษีทรงรับแล้วพระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระประทับยืนอยู่ในอากาศทรงทราบความคิดของข้าพระองค์จึงได้ตรัสพระคถานี้ว่าด้วยผลแห่งการถวายน้ำและด้วยผลแห่งการทำปีติให้เกิดขึ้นนี้ ท่านจะไม่ไปเกิดในทุกติเลยแม้ตลอดหนึ่งแสนกับข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนดเวืองคำนั้นข้าพระองค์ละความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้วบรรลุถึงฐานะที่ไม่หวั่นไหวในขับที่165หนับจากกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามชาติมีนามว่าสหัสราช เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีมหาสมทุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพทาสี่วิโมกแปดและอภินญาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอุทกะปูชก um, ะเทระได้พาสิทกาถาเหล่านี้ด้วยประกาศรรนี้ อุทกะปูชะกะเทราประทานที่สองจบสบุญนาคผปุพิยเทราประทานประวัติในดิจฉ่าของพระบุญนาคผู้พิยเทระพระบุญนาคผู้พิยาเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นนายพรานเข้าไปอยู่ในป่าใหญ่ได้พบต้นบุญนาคมีดอกบานสะพรั่ง จึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเขาพระเจ้าได้เลือกเก็บดอกบุญนาคนั้นเฉพาะที่มีกลิ่นหอมสวยงามแล้วก่อสถูปบนเนินทายยกขึ้นบูชาพระพุทธเจ้าเนื่กลับที่92นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนกลับที่91นับจากกลับนี้ไป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 ได้พาศิกขาถานเหล่านี้ด้วยประกาศนิปุณณะคาปัปพิยะเทราประธานที่สจบ4เอกทุสสะทายกะเทราประานประวัติในดิทชาติของพระเอกทุสสะทายกะเทระพระเอกทุสสะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิทชาติของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นคนเกี่ยวหญ้าขายอยู่ในครุงหงสวดีเลี้ยงชีวิตและเลี้ยงปัญญาด้วยการเกี่ยวหญ้าขายนั้นพระธีนเจ้าพระนามว่าปทุมมตระทรงถึงความสําเร็จแห่งธรรมทั้งปวงเป็นผู้นําสัตว์โลกเสด็จอุบัติขึ้นทําลายความมืดให้พินาศไปครั้งนั้นข้าพเจ้านั่งอยู่ในเรือนของตนคิดอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วแต่ทายารรมของเราไม่มีเลย เรามีแต่ผ้าสาดกผืนเดียวนี้ไม่มีใครให้อะไรแก่เราการสัมผัสถูกต้องนรกตกนรกเป็นทุกข์เราจะปลูกฝังทักษิณาทานไว้ครั้นคิดอย่างนี้แล้วจึงทำจิตของตนให้เลื่อมใสได้ถือผ้าผืนหนึ่งไปถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดครั้นถวายผ้าผืนนั้นแล้วได้ประกาศกล้องขึ้นว่าผ้าแต่พระมหามุนีวีรเจา้าถ้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้า ขอด้วยทรงโปรดช่วยข่าพระองค์ให้ข้ามวัตสงสารด้วยเถิดพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมตระทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาเมื่อจะทรงสรรเสริญทางของข้าพเจ้าได้ทรงทำอนุโมทนาแก่ข้าพเจ้าว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าผืนเดียวนี้และด้วยการตั้งเจดจำนงไว้ผู้นี้จะไม่ตกวิิบาตนารกเลยตลอดหนึ่งแสกัป จะเกิดเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติ36ชาติจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสสาชาติจกเป็นพระจพจจเระจ้าปพพระเทศราชอันไพูรณ์นับชาติไม่ท่วนท่านเมื่อเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเทวโล ก, กหรือในมนุษยโลกจกเป็นผู้มีรูปงามสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติมีกายหน้าใคร่ยิ่งนักผ่านับไม่ได้ประมาณไม่ได้จะเกิดมีตามความปรารถนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เป็นนักปราชครั้นตรัสดังนี้แล้วเสด็จเหาะขึ้นสูงอากาศดูดพยาหงในท้องฟ้าข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆเคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆความพร่องในโภคปสมบัติไม่มีแก่ข้าพเจ้าเลยนี่เป็นผลแนงการถวาย้าพผืนหนึ่ง้าย่อมบังเกิดแก่ข้าพเจ้าทุกๆแยางเท้า เบื้องล่างข้าพเจ้ายืนอยู่บนผ้าเบื้องบนข้าพเจ้ามีผ้าเป็นหลังคาวันนี้ถ้าข้าพเจ้าปรารถนาก็จะพึงใช้ผ้าปกปิดกระทั่งจักรวาลพร้อมทั้งป่าพร้อมทั้งภูเขาได้ด้วยผลแห่งการถวายผ้าผืนเดียวนั้นนั่นแหลเมื่อข้าพเจ้าเวียนไหวตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เป็นผู้มีผิวพันธุ์ดังทองคําจะเวียนไหวตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ผลแห่งการถวายผ้าผืนเดียวไม่ถึงความสิ้นไปในที่ไหนไหนชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของข้าพเจ้า้าย่อมไม่ผลแก่ข้าพเจ้าแม้ในชาตินี้ในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผ้าไวในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าผืนเดียวกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว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 ได้ภาสิคขาเหล่านี้ด้วยประการศนิเอกะทุษะทายกะเทราประทานที่สจบ 5. ผ้ผูสิตกามิยะเทราประทานประวัติในดิจชาติของพระผูสิตะกามิยะเทระพระภูสิตกามิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนพร้อมด้วยพระขี่นาศทั้งหลายประทับอยู่หน้าสังขารามพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนั้นผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกเสด็จออกจากประตูอารามได้ประทับยืนพร้อมด้วยพระขี่นาศหนึ่งแสองค์ข้าพเจ้านุ่หนังสัตว์และห่มผ้าเปลือกไม้ถือน้ําเจือดอกโบสถ์เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำจิตของตนให้เลื่อมใสเกิดสมนัตประคองอัญชลีเถอน้ำเจือดอกโกสุมไปประพรมพระพุทธเจ้าเ้ืยอกรรมนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะทรงสรรเสริญกรรมของข้าพเจ้าแล้วได้เสด็จไปตามพระประสงค์ข้าพเจ้าได้บูชาพระจินเจ้าด้วยน้ำซึ่งกำหนดได้ห้าพันหยดได้ครองเทวสมบัติเพราะน้ำสอันหยด ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพร่อนน้ำ 2,500 หยดได้บรรลุอรหัตผลด้วยกรรมที่เหลือในการที่ข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็มีนามว่าภู้สิตะในการที่ข้าพเจ้าเป็นเทวเทวราชคำว่าภู้สิตะนั่นแหลเป็นชื่อของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามหยดน้ำย่อมตกโดยรอบข้าพเจ้าข้างละหนึ่งวา กิเลสทั้งหลายเข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วเข้าพเจ้าเป็นผู้สิ้นอาชวะทั้งปวงแล้วนี้เป็นผลแห่งหยดน้ํากายของเข้าพเจ้ามีกลิ่นหอมฟุ้งไปเหมือนกลิ่นจันทร์กลิ่นหอมที่ออกจากร่างกายของข้าพเจ้าฟุ้งไปสองรอยห้าสิบชั่วทนูชนทั้งหลายสูดกลิ่นหอมอบอวลที่ประกอบด้วยบุญกรรมแล้วย่อมรู้ได้ทันทีว่า พระเจ้าภูสิตาเสด็จมาณที่นี้กิ่งไม้ใบไม้ท่อนไม้และแม้กระทั่งหญ้าทุกชนิดดังจะรู้ความดำํำริของข้าพเจ้าย่อมสําเร็จเป็นกลิ่นหอมทันทีเน่กลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ไม้จันบูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยหยดน้ําคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปะ และอภิญญาหกพระพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วความส่องสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระภู้สิตากามิยะเถระได้พาสิกขาถาเหล่านี้ด้วยประการะชนีผู้สิตากามิยะเทราประทานที่ห้าจบหกปพังกระเทราประทานประวัติในดิจฉ่าของพระประพังกระเทระ พระปภังกฤตเถระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระเจดีของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าปทุมุตระผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่มีอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งพลุกพล่านด้วยเนื้อร้ายใครๆไม่อาจจะไปกราบไหว้พระเจดีได้พระเจดีถูกหญ้าต้นไม้และเถาวัลยปกคลุมจึงหักพังลงครั้งนั้น พระพเจ้าเป็นคนทำการงานในป่าพร้อมบิดาและปูจึงได้เห็นพระสถูปหักพังรกไปด้วยหญ้าและเถาวัลย์ในป่าใหญ่ครั้นได้เห็นพระสถูปของพระพุทธเจ้าแล้วตั้งจิตเคารพไว้ว่าพระสถูปนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดหักพังอยู่ในป่าพระสถูปไม่มีอะไรบังแดดฝนไม่อยู่ในที่เหมาะสมแก่คนที่รู้คุณและไม่ใช่คุณ เรายังไม่ได้ทําความสะอาดพระสถูปของพระพุทธเจ้าจะไม่ประกอบการงานอย่างอื่นพระพุทธเจ้าแพ้วทางหญ้าต้นไม้และเถา ว, วัลที่พระเจดีย์เสร็จแล้วคุกเขา่าไหว้ครบแปดครั้งแล้วก็กลับไปด้วยกุณลกรรมที่พระพุทเจ้าได้ทําไว้แล้วนั้นและด้วยการตั้งเจดีจำนงไว้ข้าพุทเจ้าละร่างกายมนุษย์แล้วได้ประเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึง วิมานทองที่บุญกรรมสร้างไว้อย่างดีในภพเดาวดึงนั้นสวยงามสีเรื่อมประพัสอนสูงหกสิโยต์กว้างสามสิบโยต์ข้าพเจ้าได้ครองเทวสมบัติสามร้อยชาติและได้เกิดเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิยี่สิบห้าชาติเมื่อข้าพเจ้าเวียนว่าตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ย่อมได้โภคสมบัติมากข้าพเจ้าไม่มีความบกพร่องในโภคสมบัตินี้เป็นผลแห่งการแพร่ถาง เมื่อข้าพเจ้านั่งคานหามหรือขี่คอช้างไปในป่าใหญ่ไปยังทิศใดๆในทิศนั้นๆป่าย่อมสำเร็จเป็นที่พึ่งได้ข้าพเจ้าประกอบด้วยบุญกรรมไม่พบเห็นตอหรือน้ำเลยบุญกรรมนำตอหรือน้ำออกไปเองโรคเรื้อนฝีกลากโรคลมบ้าหมูคุทธราชหิตปื่อยและหิดด้านไม่มีแก่ข้าพเจ้านี้เป็นผลแห่งการแพร่ถาง เพราะข้าพเจ้าแผ่วทางพระสถูปของพระพุทธเจ้าความอาชจันทร์อย <inha> ่างอื่นยังม <Christmas> ีอ <the God of holiday> ีกข really ้าพเจ้าไม่รู้สึกว่าจะมีต่อมฝีหยาดน้ําเหลืองเกิดที่กายของข้าพเจ้าเลยเพราะข้าพเจ้าแผ่วทางพระสถูปของพระพุทธเจ้าความอาชจันทร์อย่างอื่นยังมีอีกข้าพเจ้าได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสองภพเคือในภพเทวดาหรือภพมนุษย์เพราะข้าพเจ้าแผ่วทางพระสถูปของพระพุทธเจ้า ความอัศจรรย์อย่าง อ, าง um. อ anyway. ื่นยังมีอีกเขาพเจ้าเป็นผู้ผมีผิวพันธ์ดังทองคําเป็นผู้มีรัศมีในที่ทั้งปวงเพราะเขาพเจ้าแผ่วถางพระสถูปของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์อย่างอื่นยังมีอีกสิ่งที่ไม่น่าชอบใจย่อมไม่มีสิ่งที่น่าชอบใจย่อมผุดขึ้นรออยู่เพราะเขาพเจ้าแผ่วถางพระสถูปของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์อย่างอื่นยังมีอีกจิตของเขาพเจ้าเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ มีอารมณ์เดียวตั้งมั่นด้วยดีเพราะข้าพเจ้าแผ้วถางพระสถูป ข, ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์อย่างอื่นยังมีอีกข้าพเจ้านั่งบนอาสนะเดียวก็ได้บรรลุอรหัตผลในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการแผ้วถางคุณวิเศษเหล่านี้เคปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปด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 ประวัติในดิจชาตของพระตินาคุติทายกะเทระพระตินาคุติทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาตของตนจึงกล่าวว่าเขาพเจ้าเป็นคนรับจ้างทํางานของผู้อื่นขนขวายในการงานของผู้อื่นอาศัยอาหารของผู้อื่นเลี้ยงชีพอยู่ในโครงพันธุมดีในครั้งนั้นเขาไเจ้านั่งอยู่ในที่เรนแล้วคิดอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วแต่การสร้างบุญกุศลของเรายัางไม่มีบัดนี้เป็นเวลาสมควรที่เราจะชำระ ก, กติถึงเวลาของเราแล้วการสัมผัสถูกต้องนรกเป็นทุกข์แก่สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีบุญเป็นแน่แท้ครั้นข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แล้วจึงเข้าไปหาเจ้าของงานขอหยุดงานหนึ่งวันแล้วเข้าไปยังป่าใหญ่ครั้งนั้น ข้าพเจ้าขนหญ้าไม้และเถาวัลย์มาแล้วตั้งไม้เป็นสามเส้าได้สร้างเป็นกุดีหญ้าข้าพเจ้าได้มอบถวายกุดีนั้นเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์แล้วกลับมาหาเจ้าของงานในวันนั้นนั่นเองด้วยกุศลกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้วนั้นข้าพเจ้าจึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึงวิมานที่บุญกรรมนิรมิตสร้างไว้อย่างดีเพื่อข้าพเจ้าในภพดาวดึงนั้นปราสาทร้อยชั้น สูงพันชั่วลูกธนูจะพร่างไปด้วยธงพราไปด้วยแก้วมณีสีเขียวและป้อมหนึ่งแสนป้อมปรากฏในวิมานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆเพื่อจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆปราศาสตร์ดังจะรู้ความดำริของข้าพเจ้าุขึ้นความกลัวความคลั่งครามหรือขนลุกชูชันย่อมไม่มีแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่รู้สึกสะดุ้งหวาดเสียวเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายกุฎิญาราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองมีหมาในและเสือดาวทั้งหมดก็ละเว้นข้าพเจ้านี่เป็นผลแห่งการถวายกุฎิญาสัตว์เลื้อยคลานพูดผีปีศาจงูกุมภันและผีเสื้อน้ำแม้เหล่านั้นก็ละเว้นข้าพเจ้านี่เป็นผลแห่งการถวายกุฎิญา ข้าพเจ้าระลึกไม่ได้ว่าจะได้เห็นความฝันอันชั่วช้าสติของข้าพเจ้าตั้งมั่นนี้เป็นผลหนึ่งการถวายปูดิยะเพราะการถวายปูดิยานั่นแหละข้าพเจ้าจึงได้สวยสมบัติได้กระทําให้แจ้งซึ่งธรรมของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโพดมในกลับที่91นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลย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 8แปอุตตรเยยทายกะเทระประทานประวัติในดิตชาติของพระอุตตรเยยทายกะเทระพระอุตตรเยยทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นเขาพเจ้าเป็นพราหมณ์ผู้คงแก่เรียนทรงจำมนจบไตรเพศอยู่ในกรุงหงสวดีเวลานั้นเขาพเจ้ามีพวกศิษย์ของตนแวดล้อม เป็นคนมีตระกูลศึกษาดีออกไปจากกรุงเพื่อต้องการจะรดน้ำพระจีนเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงรู้แจ้งโลกทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงสเสด็จเข้ามาเยังมกรุงพร้อมกับพระคีนาศหลายพันองค์ข้าพเจ้าเห็นพระองค์มีพระรูปงามยิ่งนักไม่วันว้เหมือนรูปที่เขาหล่อไว้มีพระอรหันต์ทั้งหลายแวดล้อม พลันแล้วได้ทำจิตให้เลื่อมใสเขาพระเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีตรนมือไว้เหนือเสียงกล่าวน้มักการพระองค์ผู้มีวัดงามแล้วได้ถวายผ้าหม่มเขาพระเจ้าประคองผ้าสาดกด้วยมือทั้งสองแล้วยกขึ้นผ้าสาดกปกปิดบังแดดฝนตลอดทั่วพุทธบริษัทเมื่อหมู่ภิกษุเป็นต้นจานวนมากเที่ยวจาริกไปบิณฑบาตในเวลานั้น ผ้าสาดกเรีกกั้นเป็นหลังคายัางเข้าพเจ้าให้ร่าเริงเมืม่อหมู่ภิกษุเป็นต้นจะออกจากเรือนพระศาสดาผู้เป็นพระสยามภูทรงเป็นบุคคลผู้เลิศประทับยืนอยู่ที่ถนนได้ทรงทำอนุโมทนาว่าเราจักพยากรผู้ที่มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายผ้าสาดกแก่เราท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดผู้นั้นจะรื่นรมในเทวโลกสามหมื่นกลับ จกเป็นจอมเทพครองเทวราชสมบัติในเทวโลกห้าสิบชาติเมื่อเขาผู้พรั่งพร้อมด้วยบุญกรรมอยู่ในเทวโลกจกมีภาพเป็นหลังคาบังแดดฝนตลอดร้อยโยตโดยรอบและจะเกิดเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสามิบหกชาติจกเป็นพระเจ้าประเทศสราชอันไพยบูร์นับชาติไม่ทวนเมื่อเขาผู้พรั่งพร้อมด้วยบุญกรรมเวียนหวตายเกิดอยู่ในภพ สิ่งที่เขาปรารถนาด้วยใจทุกอย่างจะบังเกิดขึ้นทันทีคนผู้นี้จะได้ผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าเปลือกไม้ผ้าใยและผ้าทั้งหลายซึ่งมีค่ามากคนผู้นี้จะได้สิ่งที่ตนปรารถนาด้วยใจทุกอย่างจากสวยวิปาาแห่งผ้าผืนเดียวในการทุกเมื่อภายหลังเขาอันกุศลมะโนตักเตือนแล้วจักออกบวช จะกระทาให้แจ้งซึ่งธรรมของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าโภดมน่าปลื้มใจเขาพระเจ้าได้ทำกรรมไว้ดีแล้วแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่จึงได้บรรลุอามาตะบทเพราะถวายผ้าสาดกผืนเดียวผ้าเป็นหลังคาบังแดดฝนให้แก่เขาพระเจ้าผู้อยู่ในมนดบที่โคนไม้หรือในเรือนว่างโดยรอบข้างละหนึ่งวา ข้าพเจ้านุ่งห่มจีวรและใช้สอยปัจจัยซึ่งไม่ได้ทำวินยัตไม่ได้ออกปากขอมาได้ข้าวและน้ำนี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าห่มผืนเดียวเนี่ยกลับที่หนึ่งแส น, นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิธาสีวิโมกขแปดและอภิญญาหก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 ประวัติในดิจฉาของพระธรรมสวริยาเถระพระธรรมสวริญาเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่าพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรงถึงความสําเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงประกาศสัจจะสี่ทรงช่วยชวนจํานวนมากให้ข้ามพ้นวัฏสงสารสมัยนั้นข้าพเจ้าเป็นฉดินมีตาบะแก่กล้า สลัดผ้าเปลือกไม้หาะไปในท้องฟ้าในครั้งนั้นครั้งนั้นข้าพเจ้าไม่อาจจะไปในเบื้องบนแห่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดได้เวลานั้นข้าพเจ้าเป็นเหมือนนกชนหน้าผาหินบินไปไม่ได้ความเป็นไปที่ผิดแปลกเช่นนี้ไม่เคยมีแค่ข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าหาะไปในท้องฟ้าเหมือนลืมตาไปในน้ําครั้งนั้นข้าพเจ้ามีความคิดว่า ก็มนุษย์ซึ่งเป็นผู้ประเสริฐจกมีอยู่ภายใต้นิกระมังหนอถ้าเช่นนั้นเราจะค้นหาเขาบางทีจะพึงได้ประโยชน์บ้างเมื่อข้าพเจ้าลงจากอากาศได้ฟังพระสุรเสียงของพระาศาสดาซึ่งกําลังตรัสเรื่องอนิจจตาอยู่ข้าพเจ้าจึงเรียนเรื่องอนิจจตานั้นในขณะนั้นครั้นเรียนอนิจจสัญญาแล้วได้กลับไปสู่อาสมของตน ข้าพเจ้าอยู่จนตลอดกำหนดอายุแล้วได้สิ้นชีวิตลงหน้าที่นั้นเมื่อพบสุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่ข้าพเจ้าระลึกถึงการฟังธรรมนั้นได้ด้วยขูศลกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นจึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าพเจ้ารื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดสามหมื่นกับได้ครองเทวสมบัติห้าสิบเอ็ดชาติได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเจ็สิบเอดชาติ และเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพยบูรณับชาติไม่ท้วนพระสมณะผู้อบรมอินทรีแล้วนั่งบนเรือนของบิดาเปล่งวาจาถึงเรื่องไม่เที่ยงแสดงเป็นคาถาเข้าระเจาระลึกถึงสัญญานั้นได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ยังไม่ได้รู้แจ้งที่สุดคือพระนิพพานซึ่งเป็นหนทางไม่จุดติว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นเหตุนำความสุขมาให้เขาพเจ้าระลึกถึงบุปกรรมได้พร้อมกับได้ฟังคาถานั่งอยู่บนอาสนะเดียวนั่นเองก็ได้บรรลุอรหัตผลแล้วเขาพเจ้ามีอายุเจ็ดขวบก็ได้บรรลุอรหัตผลพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุทรงรู้คุณสมบัติ ข, ของเขาพระเจ้าแล้ว จึงประทานอุปสมบทให้เขาพระเจ้ายังเป็นเด็กอยู่ทากิจที่ควรทำเสร็จแล้ววันนี้เขาพระเจ้าจะทำกิจอะไรในศาสนาของพระสากระยบุตรอีกเล่าเนื่อขับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุขติเลยนี้เป็นผลแห่งการฟังธรรมคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิัมพิทาสีวิโมกป และอภิญญาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสาเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระธรรมสวนิยะเถระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ธรรมสวนิญะเถราประธานที่เก้าจบสิอุคิตะปทุมิยะเถราประธาน ประวัติในดิจชาของพระอกขิตะปทุมิยะเทระพระอกขิตะปทุมิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นช่างดอกไม้อยู่ในกรุงหงษสวดีข้าพเจ้าลงสู่สะปะทุมเลือกเก็บดอกโบวอยู่พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระทรงถึงความสําเร็จแห่งธรรมทั้งปวงพร้อมด้วยพระขีนาศประมาณหนึ่งแสนรูป ผู้จิตสงบผู้คงที่ผู้สิ้นอาสวะบริสุทธิ์ได้อภิญญาหกผู้เข้าฌานพระองค์ผู้เป็นบุรุษสูงสุดทรงสแสวงหาความเจริญแก่ข้าพเจ้าสเสด็จมาแล้วข้าพเจ้าได้เห็นพระสยามผู้ผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพทรงเป็นผู้นำจัต์โลกจึงเด็ดดอกโบธิกานแล้วโยนขึ้นไปบูชาในอากาศในการนั้นด้วยเปล่งวาจาว่า ข้าแต่พระทีระเจ้าถ้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกองค์อา ก, กวานรชนขอดอกบัวจงลอยไปเองกั้นอยู่เหนือพระเศียรของพระองค์เองเถิดพระมหาวีระเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกองค์อา ก, กวานรชนทรงอธิษฐานแล้วดอกบัวเหล่านั้นได้ลอยกั้นอยู่เหนือพระเศียรด้วยพุทธานุภาพด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่นเาพเจ้าละกายมนุษย์แล้วได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นวิมานของเาพเจ้าที่บุญกรรมสร้างไว้อย่างสวยงามเรียกชื่อว่าสัตตปัตตะสูงหกสิบโยชด์กว้างสาสิบโยชด์้าพเจ้าได้เกิดเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติหนึ่งพันชาติได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเจ็ดสิบห้าชาติ และได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บูร์นับชาติไม่ท่วนเข้าพระเจ้าเสวยกรรมของตนที่ทําไว้ดีแล้วในปางก่อนด้วยผลแห่งดอกปทุมดอกเดียวนั้นแหลเข้าพระเจ้าได้เสวยสมบัติแล้วได้ทําให้แจ้งธรรมของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดมกิเลสทั้งหลายเข้าพระเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วเข้าพระเจ้าตักกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้ว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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระอุขิตะปทุมมิยเถระได้พาสิทธิฐานเหล่านี้ด้วยประการศนี้โอขิตะปทุมมิยเถราประธานที่สิบจบคันโททกะวรคที่สามสิบสี่จบบริบูรณ์ร่วมอัปทานที่เมนิวักนี้คือ 1นึคันททูปิยเทยราประทาน 2. อุทกะปูชกเทราประทานสปุณนาคปุพพิยเทยราประทาน 4. เอสาธุชะทายกะเทราประทาน 5. ภูสิตตก ร, รมิยเทยราประทานหกปพังกระเทราประทาน 7. ตินกุติทายกะเทราประทาน8 อุตเเรยะทายกะเทราประทาน 9. ธรรมสวนิยเทราประทาน 10. อุคิตะปทุมิยเทราประทานท่านรวบรวมคาถาทั้งหมดได้144ขคาถา